1.3 งานหลักของเราคือทําตัวให้พ้นสังสารวัตรวงเล็บเปิดสิ 16. พฤศจิกายน2549ัน25าในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสามสิงเล็บปิดพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงหมายถึงรู้รูปนามนะรู้รูปนามตามความเป็นจริ ง, ต า, ารงตามความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นั่นเองรู้ว่ารูปนามตกอยู่ใต้ไ ต, ตรลักษณ์มีลักษณะเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนาฏตาไม่ใช่ตัวเราพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายรู้สึกไหมมันน่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อนะทุกก็น่าเบื่อดีก็น่าเบื่อชั่วก็น่าเบื่ออะไรอะไรก็น่าเบื่อหยาบก็น่าเบื่อละเอียดก็น่าเบื่อเพราะมันขอไม่เที่ยงทั้งหมดเลยพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกําหนัดคลายกําหนัดนี่ภาษาไทยฟังแล้วแปลยากภาษาบาลีเรียกว่าวิลาคะ หมายถึงใจเราไม่เข้าไปผูกพันกับมันใจไม่เข้าไปผูกพันในความสุขเพราะรู้ว่าความสุขก็ชั่วคราวไม่หลงไปยินดีว่ามันจะถาวร อ, อยากให้มันถาวรไม่มีอย่างนี้จะไม่ดิ้นรนเพื่อจะรักษาความสุขแล้วใจไปเห็นความทุกข์เข้าก็ไม่ผูกพันกับความทุกข์ไม่ใช่คิดว่าความทุกข์เป็นตัวเราของเราแล้วต้องไปหาทางละคือใจมันจะไม่ไปผูกพันกับสภาวะที่มันไปรู้เข้าใจมันคลายออก เพรารู้ตามความเป็นจริงก็เลยเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายเลยคลายกำหนัดคือคลายความผูกพันรักใคร่ในสภาวะอันหนึ่งเกลียดสภาวะอันหนึ่งเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากรูปจากนามนั่นเองที่เห็นจิตมันไปคว้าจิตขึ้นมามันไม่หลุดพ้นนะมันปล่อยไม่ได้ถ้ามันเห็นความจริงว่าจิตนี้ทุกล้นล้วนมันจะทิ้งเรียกว่ามันเห็นไตรลักษณ์ก็แจ่มแจ้งนะทิ้งเลยมันทิ้งเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัด เพราะใครกำหนัดจึงหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากอะไรจิตหลุดพ้นจากความถือมั่นในขันนั่นเองจิตหลุดพ้นจากอสวะที่ห่อหุ้มจิตจิตหลุดพ้นออกมาเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้เลยนะรู้ด้วยตัวเองนะของมันเคยยึดเคยถือหนักๆมันหลุดแล้วมันวางมันเห็นต่อหน้าต่อตา มันวางจริงๆเพราะมันไปเห็นธรรมที่พ้นจากความเกิดความตายเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นก็จะรู้ธรรมะที่พ้นออกไปเรียกว่าวิมุตติยานทัศนะรู้ธรรมะแห่งความหลุดพ้นคือรู้นิพพานนั่นเองแล้วก็รู้อีกนะว่าชาติสิ้นแล้วคือความเกิดสิ้นแล้วความเกิดคืออะไรคือการที่ใจเราเข้าไปหยิบฉวยรูปนามนั่นเอง ใจที่เราไปหยิบฉวยจิตเนี่ยคว้าปั๊บเข้ามาหยิบฉวยเข้ามานี่คือความเกิดหรือชาตินั่นแหละใจเข้ามาหยิบฉวยกายก็เกิดชาติใจหยิบฉวยจิตก็เกิดชาตินะพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็หลุดพ้นรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาติสิ้นแล้วไม่หยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยการศึกษาธรรมะศึกษาจบแล้ว จบในศีลในจิตในปัญญาศีลแสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานะเราพูดเล่นคล่องๆปากหรอกศีล ส, สมาธิปัญญาไตรสิกขาคือศีลสิกขาจิตตะสิกขาปัญญาสิกขาแจมแจ้งแล้วรู้หมดแล้วศีลเนี่ยคือการศึกษาเพื่อสู้กิเลสห ย, ยาบๆเพื่อให้จิตมีความตั้งมั่นเพียงพอพร้อมที่จะมาเรียนรู้จิตคือทาจิตตสิกขา จิตสิกขาเนี่ยจิตจะสงบจากนิวรณ์จากกิเลส ช, ชั้นกลางพร้อมที่จะไปเจริญปัญญามันจะรู้ว่าจิตอย่างไรที่ข่มนิวรณ์ได้จิตอย่างไรข่มนิวรณนได้แล้วพร้อมที่จะเจริญปัญญาด้วยจิตที่ข่มนิวรได้คือจิตที่ทำสมถะจิตที่ข่มนิวร์และพร้อมที่จะเจริญปัญญาคือจิตที่พร้อมต่อการทำวิปัสสนาไม่เหมือนกันนะพอถึงปัญญาสิกขาก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจ ละกิเลสขั้นละเอียดคือความหลงผิดได้ละอวิชาได้นะฉะนั้นศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยชหละกิเลสเป็นชั้นๆเข้ามานะจนกระทั่งจิตใจเราบริสุทธิ์หมดจดหมดงานต้องทํานี่เรียกว่าเรียนจบหลักสูตรเรียกว่าพรหมจรรย์อยู่จบแล้วหมายถึงว่าเรียนจบหลักสูตรแล้วคนที่เรียนจบหลักสูตรเรียกว่าอเศขับบุคคลคือคนที่ไม่ต้องเรียนอีกแล้วคือพระอรหันต์นั่นเอง พวกเรายังเป็นนักเรียนนะพระโสดาบันเป็นนักเรียนจริงๆพวกเราคล้ายๆเป็นนักเรียนเตรียมมนุบาลยังไม่ถึงขั้นเป็นนักเรียนเพราะพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นเสขบุคคลเป็นนักเรียนพระอาหารหันต์เรียกว่าอาเสขบุคคลไม่ต้องเรียนส่วนเราเป็นกาลยานนะปุถุชนเป็นปุถุชนที่ดีปุถุชนแปลว่าหนากิเลสหนานั่นแหละไม่ใช่อะไรหนานะ ไม่ใช่สมองหนากะโหลกหนานะกิเลสหนาะหมายถึงว่ากิเลสมีแรงมากลากจูงจิตใจเราไปลงนรกเราก็ยอมไปกับมันนะมันเอาความหอมหวานมาหลอกมาล่อฉะนั้นเราค่อยศึกษาไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งงานเสร็จแล้วใจไม่ไปหยิบฉวยอะไรอีกแล้วมันพ้นทุกข์แล้วมันเห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์ต่อหน้าต่อตานี่พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาทาเสร็จแล้ว กิจที่ควรทำเนี่ยควรทำในอะไรในสังสารวัตนี่เองพวกเราที่เวียนว่ายในสังสารวัตนะเรามีงานหลักของเราคือทาตัวให้พ้นสังสารวัตให้ได้นะนี่คืองานหลักของเรานะไม่ใช่ร่อนเร่ไปในสังสารวัตเวียนเกิดเวียนตายไปเรื่อยๆอย่างนั้นงานไม่มีที่สิ้นสุดกิจที่ควรทำก็คือการข้ามภพข้ามชาตินั่นเองได้ทำเสร็จแล้วทำหมดแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีก เพราะตรงนี้ไม่มีอะไรจะต้องทำแล้วกายกับใจเราคืนให้ธรรมชาติคืนให้โลกไปแล้วจิตใจจะมีแต่ความสุขนะมีความสุขมีความสงบมีความเบิกบานท้าวออยู่อย่างนั้นจะหลับตื่นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขล้วน